โดยดับบันอ่คือในมูลรัปปายาสูตรนี่นะได้กล่าวบอกว่าผู้ที่ทําปริญญามีอะไรบ้างตั้งแต่หนึ่งปุถุชนคือผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเนี ย, ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยถ้าทําปริญญาเนี่ยก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําปริญญาเทินถ้าตามมูลปรายาสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ที่มองมองเป็นการมองขําคข้าขันอะไรเงี้ยเถอะบอกว่าปุถุชนเนี่ยมุดเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลย ถ้าพระเสขานะี่ยท่านกําลังอธรรมอ น, นี้อยู่เช่นอบรรลุ ป, ปริญญาแล้วพระเสขะเนี่ยท่านทํากิจเหล่านี้อยู่พระหมายถึงพระอริยาสาวกที่ทํากิจเราบอกเลยว่าสูตรหมายถึงพระอริยาสาวกสายขาเนี่ยนะแล้วก็ข้ามไปอาเสขะทีนี้ถามว่าไอ้ระว่านจะว่าเสขะก็ไม่ใช่อาเสขาเอ่ยจะว่าเราไม่ฟังก็ไม่ใช่จะว่าปฏิบัติ บรรลุแล้วก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้แหละเ็าคืออยู่ ก, กัม ก, กึง่งเรียกกลยานนะปุตชชนพวกกัมกึ่งกัมกึ่งเนี่ยนะพวกกัมกึ่งเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างแนวโน้มว่าจะเสื่อมกับแนวโน้มว่าจะเจริญเนี่ย น, นะก็ดูว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกลุ่มไหนเพราะมันเอาแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมอย่างของมาอย่างที่ว่าแบบง่ายๆเลยนะบางคนนะอูหันมาอ่านพระตไตรปิฎกเหมือนกับจรงิงจังฟังอู้สั่งเทพสั่งหนังสือเลิกศึกษาเฉยเลย ไม่สนใจพระไตรปิฎกกอไม่อ่านเฮ้ยลืมหมดแล้ไม่สนใจอะไรสักอย่างอันนี้กลุ่มแบบนี้ก็มีไกลกลุ่มที่เรียกว่าอู้เอาจริงเอาจังอยู่ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะมันก็เลยว่าแนวโน้มจะเสื่อมหรือจะเจรุดเพราะอย่างเราเทั้งหลายเนี่ยสมมติอ่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนเล่าให้ฟังถ้าสมมติถ้าผู้การไปเอามาพลิกอย่างเงี้ยเอ้าเอาอมาผ่าไปเครื่องตัวผู้การจะไปทํำยังไงเราไปยังไงเลยก็ชื่อว่าเป็นผู้เคยทําปริญญาเลยก็ทีนี้ <c oughs> ถ้าชาติต่อไปก็จะง่ายกว่าคนอื่นเหมืนกันจะก็อย่างนี้เลย ก็ในมูลและปริยย า, าสูตก็บอกว่าปุตุชนเป็นผู้ไม่ได้ทําปริญญาใช่เจตอนนี้ปุตุชนทําปริญญาได้ไหมครับคือปุตุชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือปริญญากิจเนี่ยถ้าถ้าว่าตามหลักเนี่ยคือพระเสขะเนี่ยท่านกําลังทําปริญญากิจอยู่ถ้าข<อ>ันเนี่คือทําเสร็จแล้วเนี่ย<อ> ถ, ถ้าถามว่ากาลยานุผลปุตุชนเนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็ เ, เ, รเรียกว่า<ำ>เก็บกลมกลํามกึ่งอยู่ว่างั้นเนี่ย เสขาทำปริญญาไม่สงสัยครับเชื่อว่าต้องทําและกําลังทําอย่างอย่าง อ, อย่างต่อเนื่องอย่างขาเคร่งดีเดียวอ่ะอถูกไหมฮะเพื่อจะให้แต่ก็มีบางสูตรเนี่ยนะอธิบายว่าอธิบายในแง่นะถ้าเป็นอะไรนะอไห้ทานกับพระพระอะไรนะโชราปฏิพลดให้แจ้งหรือไห้ทานกับพระเสขะเนี่ยนะอะถ้าเป็นกลุ่มกาลยานะปุุชนกลุ่มนั้นเนี่ยใช่ เรียกในแง่ว่าเขาเหล่านั้นเป็นนาบุตรเนี่ยใชก่ก็คือการการกล่าวธรรมะเนี่ยนะมีโดยปริยายต่างๆมางั้นเถอะมีโดยปริยายต่างๆถ้าทํามองว่าในบรรดาผู้ปฏิบัติ ด, ดีชื่อว่าเป็นพระเสขะโดยนิยสงเคราะห์ อ, อันเนี้ได้แต่จะเรียกว่าเป็นเสขะเต็มที่เลยมันก็ยากมางั้นเลยเมื่อกี้นี้พระคุณเจ้าบอกว่าถ้าผู้ที่ทําปริญญาถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ถึงยานที่สิบหกเนี่ย ถ้าว่าจุติจิตเกิดเนี่ยก็คือก็ไปต้องไปเริ่มต้นใหม่อ๋อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วอย่างที่เคยได้ยินมาว่าที่เป็นพระจุนสัสโสดาบันเหรอเจ้าคะยานที่เท่าไหร่คะก็ยานที่สองแต่ทีนี้จะเล่าให้ฟังนะจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงสมมติถ้าผูการนี่แหละได้ยาตะปริญญาบริบูรณ์ตายแล้วกลับมาเกิดแถวแถวต้นโพอย่างนั้นนะนะเป็นเนี่ยเป็น เป็นอ่ะเป็นมหาเศรษฐีครือบดีอยู่แถ ว, แวนะั้นน่ะถามว่าจะทํายังไงต่อไปอ่ะเลือกมาเกิดธรณีสีเลยก็ได้อ่ะจะทํายังไงอ่ะนะชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเมื่อปลายปลายาศาสนาไปยังไงเรื่อยๆผูๆ้ ก, การจะมาทํำยังไงต่อไปอ่ะหมายความว่าถ้าอีกสมมตินะอีกยี่สิปีเนี่ยผู้ ก, การเนี่ยเป็นน่มรูปงามอยู่แถวเนี้นะผู้ ก, การจะทํายังไงต่อไปคือถ้าไม่เจอสัตว์บุรุษนะะถ้าไม่เจอนะครับเพราะว่ายังไงยังไงเราหนีสัตว์บุรุษไม่ทน เหล่านี่นะต้องพึ่งอยู่กับผู้รู้นะฮะเราต้องยอมรับทุกคนนี่นะฮะการบำเพ็ญปัญญาบารมีนั้นเป็นการแสวงหาผู้รู้นะแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีนะด้วยวิธีแสวงหาธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยและแสวงหาธรรมที่เป็นเป็นกุศลเนี่ยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลที่แท้จริงหรือว่าแสวงหาโลกุตรกกุศลเหมือนกันเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้า ใช้วิธีสแสวงหาคนหาเพื่ค้นหาผู้ค้นหาที่ไหนกไม่ได้ไปค้นหาตามต้นไม้ก็ค้นหาธรรมอ่ะก็ค้นหาจากคนเหมือนกันเถอะก็ค้นหาจากผู้รู้ทั้งหลายนั้นพระองค์จะบำเพ็ญตนอย่างนี้มาตลอดนะฮะก็สแสวงหาตัวบุคคลไปเรื่อยตอนนี้ก็ถามผมว่าถ้ามาเกิดที่ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพนี่นะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นราชาด้วยเหมือน <c oughs> นเถอะมีมเหสีงามมาก แล้วก็อถ้าหากว่ า, า, า ก, ก่อนก็เคยว่าเออมีปัญญาเหมือนกันเนะเออได้เคยทําปริญญามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็อย่าหวังเลยนะอันนี้หนึ่งนะก็พับไปแต่ถ้าสมมติเกิดมาในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยพอที่จะเป็น เป็นสัต บ, บุรุษให้เราเป็นอะไรยังไม่ที่แท้จริงเราได้หรือไม่วันนี้ยังขำยมไปไดูเลยบอกโอ้ยได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนบางโรงเรียนดีใจมากดีใจมากเลยนะที่ลูกเข้าได้สําเร็จอย่งนั้นตอนนี้ตอนคิดอีกอย่างนึงนันตอนนี้ลูกจบมาด้วยดีเนี่ยนะก็ดีใจอีกอย่างหนึ่งก็นี่อย่า ว, ว่าผู้การเลยเนี่ยนะคติการะเนี่ยนะที่ไปชวนอะไรนะโชติปาละมานพเนี่ยเมืองพระณศีนี่แหละ พระโพธิสัตว์นะเมื่อกับนี้นะตอนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยท่านเป็นมาเป็นคนเก่งมากในเมืองเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยเขาบอกว่าทั้งบนดินและบนอากาศเป็นคนเก่งมากความรู้ความสามารถสูงจริงๆเลยนะเพื่อนชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าชวนอยู่ตั้งนานชวนบ่อยมากก็ไม่ไปจนพวกจับหัวเลยอะ่ะบอกเอาไปอย่างไงไป ไปถึงแล้วก็เพราะคําคํานั้นแหละที่ท่านไปพูดประโยชน์อะไรด้วยการเข้าไปเฝ้าสัมณนาล้นโพธิยามท่านได้โดยยากนั่นขนาดเขาชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งตัวเองไม่นานจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมขนาดนั้นยังปฏิเสธก่อนเลยอ่ะอันนี้คือคือข้อโทษของวาตาว่าเยาว่าแบบเราเลยนะนายพรานกุกุตเมิตรเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีหัวหน้าฝ่ายครหบดีสร้างเจดีพระพุทธเจ้ากสปะชาดหลังมาเกิดเป็นนายพรานแบกปืน เที่ยวยิงเนื้อเฉยอย่างนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยคือผู้ที่ไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยผู้ตรงๆแล้วก็อันตรายมากท่านบอกว่าคติของผู้ไม่รู้สัจจะนี้เป็นสิ่งที่อะไรนะเหมือนโยนท่อนไม้ขึ้นบนอาการจริงอยู่ว่าไปเกิดในสุคติแล้วถามว่าไปเกิดในสุคติแล้วไปอยู่ตรงไหนอะไรเพราะบางช่วงอย่างพระทาหิยะนะสั่งสมบุญมาขนาดนั้นเนี้ย ไปนุ่งไปเอาภาพเปลือกอไปเอาเปลือกไม้มาปิดอวัยวะเพศอยู่คอยนั่นเองคนยกย่องว่าตัวเองเป็นพระอรหรันต์ก็เลยเออสงสัยในบรรดาพระอรหันต์เราก็หนึ่งละมั้งนะนะจนพรหมพวกเก่าเนี่ยสงเคราะห์จึงจะได้งานเนี่ยนะอีกทั้งหลายคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นท่านอย่างชัมปุกะชีวกทั้งทั้งที่ชาติสุดท้ายนะก่อนหน้านั้นท่านก็เก่งมากๆเลยอะ่ะ เพราะท่านเคยเป็นบวชเป็นเจ้าว่าและเป็นผู้มีความสามารถสูงมากแต่ว่าไปด่าผ้าอรหันเอาไว้เพราะนั้นอันนั้นคือคือผู้ของผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้ธรรมนั้นพูดโดยโดยรอบแล้วก็เป็นสิ่งที่นับว่าอันตรายมากๆเพราะตอนหลังพร้อมที่จะเป็นอื่นได้ะนะอย่างในสัมมาประธานนี่จึงกล่าวว่าต้องเพียรพยายามเพื่อละอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าถ้าอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดถ้ามันได้เกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้น ก็ เ, เสียหายมากว่างั้นนะดังนั้นจึงถ้าไม่บรรลุคุณนะวิเศษยอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งใจเย็นว่างั้นนะอย่าเพิ่งเย็นใจเลยว่างั้นนะแต่ก็พอจะกล่าวได้ว่าการที่เราจะไปจัดการกับอ้ความทุกข์ทั้งหลายเกินในทุกขสัตว์เนี่ยหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปวิเคราะห์วิจัยมัน ถูกไหมครับนี้ไม่พ้นเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะใครจะทําหรือไม่ทําทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลติดต่อกันยังไงก็แล้วแต่แต่ขึ้นชื่อว่าทุกสัตว์ท่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาจะต้องจะต้องเข้าไปทําปริญญาถูกไหมครับจึงจะเป็นแนวทางที่พระพุทธพระองค์รรตรัสไว้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าทุกสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยหน้าที่เราต้องปริญญาอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดโดยโดยธรรมชาติของวัตถุนั้นนะโดยธรรมชาติเช่นของขันายตนะา่าหรืออะไรก็ตามในฐานะของจักขุ เป็นต้นเนี่ยเข้าในฐานะเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาตัวเขานะเขาบอกตัวเขาเองว่าชั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่ที่คุณนะควรมาทําปริญญากับชั้นครับผมถามกลับไปนิดนึงนะฮะ <c oughs> พระโพธิสัตว์นี่นะแพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เนี้นะเมื่อพระองค์ออกพิเนสกรมเนี่ยนะ หรือว่าก่อนนั้นหน่อยก็พระองค์พระองค์มามาพิจารณาเห็นเห็นเอ่อเอ่อความเกิดความแก่ความเจ็บภวามตายเนี่ยซึ่งเป็นเทวทูตมานี่นะแล้วพระองค์ก็คิดตรึกเป็นในเรื่องของชีวิตนี่นะฮะเพื่อที่จะหาทางออกนี่นะนี่พระองค์เริ่มทําปริญญาแล้วถูกไหมครับก็เป็นเป็นปัญญาของพระองค์นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาอยู่เนี่ยนะก็เป็นปัญญาเพราะว่าพระองค์สั่งสมบุญไว้มากที่มันเอ่อเช่นว่า คู่ที่เขาสาทะยายอาการสามสิบสองเป็นต้นในอดีตชาติมาเป็นอย่างดีในการพิจารณารูปคันเนี่ยนะอย่างที่ว่าเราอ่านชาดกเนี่ยพระโพธิสัตว์เห็นผมงอกออกบวชเลยผมตัวเองเนะยเห็นงอกหนึ่งเส้นก็บวชละไปอยู่ไม่ได้ละทําไมจึงต้องบวชอุปนิสัยท่านสั่งสมมามากในการว่าแค่นี้ท่านก็สังเวชได้แล้วเนี่ยนะท่านยึงสังเวทจริงๆเลยอะ่ะเพราะอุปนิสัยที่สั่งสมมาเป็นอย่างดี ท่านผู้ที่สั่งสมบุญเก่านั้น่ะจึงน่าดีใจด้วยในแง่นี้ในแง่ว่าท่านได้ทําเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้แล้วล่ะแต่อีกเมื่ อ, อไหร่นี่ข้าพเจ้าไม่รับรองเพราะว่าของใครก็ของใครล่ะแต่ถ้าหากว่าได้ปลูกฝังใจรักเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็เชื่อว่าไม่รู้คือยังไงเขาก็ต้องได้ตรัสรู้แต่เมื่ อ, อไหร่อีกเรื่องหนึ่งล่ะว่า ง, งั้นเถอะยังไงก็ต้องบรรลุแน่นอนนะ ถึงไปมีความผิดถึงไปทํากรรมอะไรร้ายแรงอ่ะ น, นะโดยที่สุดแม้แต่พระเทวทัตหรือพระเจ้าช า, ชาติศัตรูหรือใครก็ตามอ่ะขอให้มีใจรักเลื่อมใสอย่างแท้จริงต่อพระตถาคตต่อพระธรรมคําสอนนั่ก็หมพระอริยะสาวกทั้งหลายถึงจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ในที่สุดก็ต้องคิดว่าตรัสรู้เพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยได้บูชาในวัตถุที่ควรบูชาไว้แล้วจะเป็นไปได้ไหมครับที่โครงสร้างที่พระจันท์ แสดงไว้บนนั้นเนี่ยถ้าหากว่า อ, อมันมีกิจที่เป็นในระดับโลกิยะมีไหมครับเป็นไปได้ไหมครับกม็มีแต่ว่าโลกิยธาโลกิยะกิจเหล่านี้เนี่ยนะเคยยังไงมันยังทําไม่เ ส, ส, แบบ ส, สเร็จอ่ะใช่ก็มีซา จ, จะที่เป็นโลกิยาในะอุทยาเภี ย, ายานเนี่ยอย่างเช่นเราพูดถึงจกักรโก่อนนะเอายกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะ ว่าจักระเนี่ยปัจจัยแห่งจักระเนี่ยคืออะไรอวิชชาเกิดจักระจึงเกิดตัณหาเกิดจักระจึงเกิดกรรมเกิดจักระจึงเกิดอะไรอาหารเกิดจักระจึงเกิดตัวจักระนั้นเป็นนิพพัติลักษณะเนี่ยนะเพราะว่าตัวจักระเองก็มีการเกิดมาโดยลําดับใช่ไหมจักระก็ตั้งอะไรตั้งแต่เริ่มมีจักขะพีิสว่าตอนไหนนะประมาณสามสี่เดือนใช ตาเนี่เริ่มมีตัดตอนไหนคุณทุจรินสัปดาห์ที่เจ็ดเนี่ยนะผมเป็นต้นเกสาโลมานาคาพิจ่าเจ็ดเจ็ดท่าไรเจ็ดคุณเจ็ก็ประมาณสองสามเดือนไปแล้วนั่นแหละเพราะว่าหลังจากกลายจากเป็นมาน้ำไปแล้วนะหางเริ่มหดอะไรก็เริ่มว่าไปตามก็ดูว่าก็ไอความนิพพติมันก็เจริญไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไรเอาสรุปว่าสามสิบไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอะไรจริงๆแล้วนะถ้ามองตามไวันะ หลังจากนั้นมีแต่เสื่อมอย่างเดียวไม่มีเจริญนั่นนะสมมทิาอายุหกสิบใช่ไหมมันก็มันก็กเที่ยงวันแล้วนะช่วงช่วงไปหาเที่ยงหลังจากเที่ยงไปแล้วแต่จริงๆเลยวิปริณามะมันก็เริ่มมีมาเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่ามันเริ่มอะไรนะถ้าเห็นเป็นหน่อไม้เนี่จะชัดลักษณะของหน่อไม้นะหน่อไม้เวลามันงอกขึ้นอ่ะมันก็งอกไปเรื่อย ๆ, ๆแต่ทีนี้เวลาพอมันไอตัวเปลือกนะมันก็จะถูกลอกอย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ เพราไอความเจริญความเสื่อมมันก็เป็นไปด้วยกันนะนั้นนิพพติลักษณะกับวิปรีนามลักษณะนี้ก็เป็นไปด้วยกันโย่โดยทั่วๆไปก็พิจารณาโดยสมัยจนชำนาญนิพพติลักษณะเนี่ยหมายท่าในอัตถากตีกาทั้งโดยขณะด้วยแล้วก็โดยสันตติด้วยแต่ถือให้ถือโดยสันตติเป็นหลักผู้มีปัญญาคมกล้าก็เห็นโดยขณะทีนี้เห็นโดยขณะนี้เห็นกี่ครั้งเห็นตลอดหรือว่าเห็นยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ ที่ไม่ได้รับคำตอบทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นทุกขสัตย์เขาจะแบ่งนะนนี่เคกว่าโดยขณะนี้โดยปัจจัยโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสมุทัยสัตว์โดยขณะนี้เป็นทุกขสัตย์ถามว่าปัญญาใช่ไหมที่เข้าไปเห็นปัญญาที่เข้าไปเห็นเรียกว่ามรรคสัต์ปัญญาตัวนี้เรียกว่าไปเห็นทุกข์แล้วก็เห็นสมุทัยรู้นิโรธโดยอนุมาน รู้นิโรธโดยอนุมานว่าเช่นว่าถ้าวิชาเกิดจากขู่เกิดเพราะวิชาเกิดจากขูกเกิดเพราะตัณหาเกิดจากขู่เกิดเพราะกรรมเกิดจากขู่เกิดเพราะอหาหารเกิดและนี่พติลักษณะปัญญาก็อนุมานไว้ว่าถ้าวิชาดับจากขู่ก็ต้องดับเลยถ้าตัณหาดับจากขู่ก็ดับถ้ากรรมดับจากขู ก, ก็ดับถ้าอาหารดับจากขู่ก็ดับตัวธรรมชาติของจากขูกก่มันก็แปรทําโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะเขาเขาเป็นผู้ที่วิจัยในสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว แล้วก็ได้แต่อนุมานว่าเช่นว่าสมมตินี้จากจากขู่ใช่จากขูนิโรธอยู่ฝั่งนี้คาดว่าถ้าอาวิชชาตันหาดับมันต้องเป็นนิโรธแน่ก็ได้แต่คานวณ น, นั่นเองทีนี้พอคานวณอย่างนี้ได้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะแถวทำยังไงจะทำให้แจ้งนิโรธเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ใส่ใจแต่ที่วิปรินามลักษณะโดยอนุปัสนาจ ในะส่ใจที่วิตรงที่วิปริณามลักษณะอย่างเดียวเฉพาะนะไ อ, อยังอื่นนี่จะไม่พูดถึงละพอมามาระดับสูงเนี่ยไอตั ว, ต, วตัวฝ่ายดับคือวิปริณามะเนี่ยตามเห็นวิปริณามลักษณะตัวนั้นแหละเรียกว่านิจานุปัสนาตามเห็นไอวิปริณามะนั่นแหละว่าเป็นทุกเรียกว่าทุกขานุปัสนาเห็นไอวิปริณามะที่ไม่มีใครมีอำนาจนั้นเป็น อนัตตานุปัสนาก็ไอวิปริณามะนี่มันน่าเบื่อหน่ายเป็นต้นนะนี่ยจตามละอนุปัสนาจนกว่าจะละอะไรเสียละอะไรจนกว่าจากักขคูไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วมีเนี่ยจกักขคูนิโรธจริงๆเป็นอารมณ์เนี่ยอ่ะเมื่อ น, นั้นแหละอันนี้จึงจะเป็นมรรคปัญญาแต่ว่าในก่อนหน้านี้อย่างอย่างตอนนี้นะเราก็เพียงมีปัญญาว่าจากักรคูเป็นทุกข์อวิชชาตันหาถ้าเหตุดับทุกอันนี้ก็ต้องดับเราก็รู้อยู่แค่นี้ แต่ว่าการวิจัยเหตุวิจัยจักขู่อย่างบริบูรณ์วิจัยเหตุอย่างบริบูรณ์อันนี้ก็ยังและที่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายก็ก็ยังนะแต่รู้ว่าอัธยาศัยโดยรวมๆเราต้องการแทงตลอดจกักรขูนิโรธท่านในระหว่างนี้ส่วนใหญ่เข้าเป็นแค่นี้กัน น, นะเป็นแค่นี้เพียงว่ามีอัธยาศัยน้อมไปในจกักรขูนิโรธใช่ไหยคิดย่างไม่ม มีอัธยาศัยแล้วถามว่าวันหนึ่งทาปริญยากี่ครั้งเน่ยนะ mm hmm. เนี่ยพอเริ่มมาเอาพอพอเอาเป็นเรื่องเป็นราวเข้าก็ชักเอชักไมคู่ควรเน่ยนะไม่ทำมานุธรรมะปฏิปฏิแล้วคับเนี่ย mm hmm. มันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้แหละแต่มีอัธยาศัยในจากโคนีโรดอยู่แล้วมีอัธยาศัยนะแต่ยังไม่มีอุปนิสยัย mm hmm. คําว่ามีอัธยาศัยหมายคำว่าเอจิตเนี่ยจริงๆแล้วโอนไปอยู่แต่อุปนิสัยที่จะให้บรรลุเนี่ยไม่มี คือเพราะปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่โลกตะละธรรมนี่โรธานุปัสสนานี่จะมีก็ากาพว ก, วก็อวิปรินามะนะั่นแหละคือคือไม่ต้องการสร้างนะนิโรธาจะเข้าใจดีคือไม่ต้องการสร้างอีกคือเพราะว่าตัวนิโรธานุปัสสนาเนี่ยละสมุทัยละการก่อสร้างจักขุรคือไม่ต้องการสร้างจักรคูนะแต่ว่าไม่ใช่วะละจริงๆเพียงกะละโดยแต่ทางคะเนี่ยนะ ไม่ไม่ต้องการสร้างจากักขุกถ้าเป็นปฏินิส ข, ขานี่การแล่นไปในนิแล่นไปในนิพานนีิแล่นนไงโดยอัธยาศัยยรือไงอก็แล่นโดยอัธยาศัยก่อนโดยอัธยาศัยเพราะว่าถ้าอริยมรรคหรือโคตรภูญานไม่เกิดเนี่ยมันออกไม่ได้อะมันมันต้องการออกละ่ะมันแล่นไปเพื่อออกอะแต่มันยังออกไม่ได้อะ่ะวิปสนาญาณเออนุปัสนาสี่เบื้องหลังนี่ เอ่อที่ตั้งชื่อมาต่างกันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการละกิเลต่างกันหรือไงครับคือประสิทธิภาพของการละมันสูงขึ้นจริงๆก็ตัวตัวฐานจริงๆอ่ะนะที่อื่นๆนี่บอกเลยตัวหลักจริงๆมีอยู่สามตัวคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอันนีพิทาเป็นต้นเนี่ยมันเป็นผลพวงของอนุปัสสนาสามถ้าอนุปัสสนา3ามดีเท่าไหร่นิพิทามันก็ก็เป็นไปตามนั้นแหะ อันพูดเฉพาะที่อื่นๆเนี่ยอันนี้จังนิพิทาแล้วก็มักเลยอะใช้อยู่บางทีก็ใช้อยู่ไม่กี่คําอันนี้หมายถึงว่าถ้าถ้าแสดงกับบุคคลที่เรียกว่าตรงตัวเลยนะจะใช้คําไม่เปลืองแต่ลักษณะของเราก็ใช้วิชาเนี่ยสมบ้างแหวานบ้างอะไรบ้างมันสรุปว่าเรียนหมดอะ่ะคือถ้าเป็นเรานะเป็นอะไรนะหมอเรียกว่า เห็นคนไข้ก็เปิดตำราแล้วก็ว่าไปเรื่อยนั่นเงซึ่งจะตายจากแบบหมอที่เขาเป็นน่ะก็ตรวจแอ้วนี่เอายานี้พอแล้วอย่างเงี้ยนะลูกคำพราครับง่ายน่าครับเออสําหรับในสัตตฐานสูตรเน่ยพระผู้วิพากทรงแสดงเรื่องผู้ฉลาดในฐานะเกจิปการนี่นะพงษ์ทรงแสดงกับภิกษุปุถุชนใช่ไหมครับเป็นเสกขาหรืออ่าสูตรสัตตฐานสูตรนี่แสดงกับพระเสขาบุคคล ให้พระเสขะบุคคลกระยิมในอรหัตตาพนว่าพท่ารหัส น, นั่นเป็นอะไรครับว่าเป็นสูตรล่อใจพระเสขะพูดในหนึ่งนะตรงๆเลยคือเป็นสูตรล่อใจของพระเสขะว่านี่นะถ้าเป็นพระารหัสนะท่านท่านดียังไงพระเสขะน่าสนใจแล้วตรงในกลุ่มนั้นไม่มีพระปุถุชนบางหรือครับโดยทั่วๆไปนั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยเอาผู้ที่ประสงค์เป็นหลักพวกที่เหลือถือเป็นอะไรก็ได้แต่ก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างว่าเวลาผู้การถามปัญหาเนี่ยน ะ, นนะอมาก็มุ่งตอบปัญหาส่วนผู้อื่นก็ชื่อว่าฟังอยู่อย่างเง้ยคือลักษณะนี้แต่ว่าการการแสดงธรรมปรารบผู้ใดผู้หนึ่งก็เหมือนว่าถือเอาผู้นั้นเป็นหลักส่วนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นพลพลอยได้เป็นผลพวงเป็นอะไรไปเป็นวาสนาภาคยะเป็นอะไรไป แต่บางทีในบางกรณีเนี่ยคุยกันอยู่อย่างนี้แต่คุยกับอีกคนหนึ่งแต่ต้องการให้อีกคนหนึ่งรู้อย่างนี้ก็มีเยอะมากในพระต่าวิดกเนี่ยนะเช่นอุปชาเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วมาถามปัญหาถามจะให้ลูกศิษย์บรรลุหรือบางทีก็สนทนากันสองคนกับอุปชาเสร็จแล้วลูกศิษย์บรรลุอย่างงี้หรือบางทีก็เนรม밋พระพุทธเนรม밋พระพุทธเนรม밋สน ท, าทนากันแต่เทวดาบรรลุพระพุทธเนรม밋สนทนากับพระพุทธเจ้าและเทวดาบรรลุเนี่ยนะยังนี่มี ซึ่งวิธีการที่จะสงเคราะห์หมูสัตว์สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมีวิธีการที่หลากหลายวิจิตรมากในพระสูตรว่กจะใช้คำว่าอริยสาวนี่นะฮะหมายความว่าพระองค์ตัดกับผู้ที่เป็นเสขะเกิดท อ, องอยากจะเน้นว่า ผู้ที่เขาทํากิจเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าล่อพัสล่อปุถุชนเป็นต้นเนี่ยให้ว่าเนี่ยนะถ้าเป็นพระอริยาสาวกของพระพุทธเจ้านะท่านอย่างท่านทำกิจกันอย่างนี้อย่างเช่นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในัยจกักโอย่างไงคือนั่นอะคือพระอริยเนี่ยคือคนที่ทํากิจตัวนี้จริงๆเนี่ยท่านทํากันอย่างนี้ ก็ก็เอาเอาระดับสูงไว้เลยนะเหมือนกับว่าอะไรนะไอ้ที่ถูกเป็นอย่างนี้คือคือจะไม่อยากไปหยักไม่อยากไปย่ำกับคนผิดอนะว่างั้นครับแต่จะบอกว่าไอ้ที่ถูกจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เอ่อเช่นในทีเอ่อทีนะคขัข้ทีขขขข่ขั้นนักขั้นสูตรเนี่ยนะฮะตอนท้าพระองค์จะลงท่าว่า อ, อริยสาวอริยสาวกรู้แล้วอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นี่นะครับย่อมเบือนนายย่อมใครกําหนัดเนี่ยเมื่อใครกําหนัด ก็หลุดพ้นอนนี้นะฮะลงท้ายก็หมายความว่าทํากิจเสร็จนะพระองค์ทรงแสดงนี้ในขณะที่ภาษาริบุตรกาลังอยู่เบื้องหลังพระติสดาของพระองค์ใช่ไหมฮะพระองค์ทรงแสดงกับพระเสขะใช่ไหมครับสพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ที่ฟังอยู่คือธีรรกขะปริพาชดช่ไจริงๆตัวพุทธพจน์เนี่ยนะพุทธพจน์นั้นน่ะแสดงจบลงที่อรหัตผล โดยโดยพยัญชนะโดยอัถิเนี่ยนะจบลงที่อรหัตผลแต่ผู้บรรลุบรรลุตามอัธยาศัยของตนก็หมายความว่าทรงแสดงกับพระเสกขาถ้าอย่างนั้นก็ในสัยุตตานิายขันธวารวักหรือวัสลายานตนาวักเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงยาตาปริญญาพูดถึงตีรัปริญญาหมดเลยคือเพราะว่าโดยรวมๆแล้วนะพื้นฐานคนสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วเนี่ยเข้าเป็นนักวิจัยชีวิตอยู่แล้ว